ขอความเจริญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ร่มพระโพธิญาณในวันนี้ก็คงประรบเรื่องวิริยะบา ร, รมีต่อไปหลักการปฏิบัตินั้นท่านสอนให้ใช้ในวิริยบททั้งหลายเพรา ะ, ะนั้นคำว่าวิริยะเนี่ยโบราณเขเขียนว่าวีรยิยะนะก็คือวีระนั่นเองแปลว่ากล้าหาญ เพราะอะไรเพระบนเส้นทางของการใช้ความเพยายามมันจะเจออุปสรรคอันตรายขวัน้ําลุมบอ่อนี่มากมา ย, กายเกิดขึ้เราดูตัวอย่างพระพุทธเจ้าถ้าหากว่าทอดทิ้งความพยายามในช่วงใดช่วงหนึ่งหรือเห็นแก่ได้ในช่วงใดช่วงหนึ่งนโลกก็ไม่มีพระพุทธเจ้าแล้วเพราะอะไรเพราะว่าในแวดวงของพระราชวัง รับการปลุนปลื้อย่างดีพิเศษก็พรั่งพร้อมด้วยการมมคุณนะนะสาวสารกับนไหนมากมายกลายกองก็โยเยน่าดูนะแต่สมับคนที่มีจิตใจโน้มเอียงไปทางบรรประชาเนี่ยคงรําคาญเหมือนกันนะอยู่ในสภาพแวดล้อมอย่างนั้นแต่พวกมัว่วมั่วสมในกรรมคุณก็อีกเรื่องหนึ่งนะแต่ว่าคนที่จัดใจโน้มเอียงไปทางทางสงบเย็นเนี่ย มันก็คงจะไม่พอใจเท่าไรเหมือนกันแล้วก็ตอนเสด็จออกพ น, นัวก็ถูกย่อหยวนด้วยราชสมบัติจกักรพรรดิถ้าอ่อนแอหน่อยโลภเพ่งแก่ตัวหน่อยก็ไปไม่รอดแล้วนะทุกจุดนี้จะไปไม่รอดหมดแม้แต่ตอนที่พระราหนลประสูตรก็ทรงเปร่งอุทานวราหุลังชาตังบันดานังชาตัง บ่วงได้เกิดขึ้นแล้วเครื่องผูกได้เกิดขึ้นแล้วแกเราเพราะการสลัดบ่วงสามบ่วงบ่วงทรัพย์บ่วงพัญญาบ่วงบุตรได้เนี่ยไม่ใช่เรื่องไม่ได้เรื่องง่ายนะปัญญาจะต้องแหลมคมจะต้องมองได้ไกลคนคิดสั้นๆเนี่ยทำไม่ได้แต่ถ้าคนคิดได้ไกลแล้วที่จะทาได้ซึ่งคนกลุ่มหนึ่งอาจจะรู้สึกเดือดร้อนในช่วงสั้นๆ ถูกทอดทิ้งถูกว้าเวโดดเดียวเดียวได้อะไรเนี่ยอาจจะมีนะฮะแต่ว่าสิ่งที่ได้มานั้นมันมากมายมหาศาลมีคุณต่อโลกแล้วก็มีคุณต่อท่านที่ต้องพรากจากไปเอาพระเจ้าพิมพิสารชวนให้ศึกออกไปเป็นพระเจ้าแผ่นดินจะแบ่งประเทศให้แว้นหนึ่งนะ แวนอังคากรมโคตรไม่เล็กนะก็เรียกว่ารวมกันแล้วก็ใหญ่กว่าประเทศไทยกันแล้วกันแต่ก็ไม่เอาแล้วก็มาขัดขวางอะไรสารพัดเลยนะแต่ก็มุ่งมั่นไปสู่จุดหมายปลายทางเด็ดเดี่ยวมนะากพรุทธเจาจึงเป็นแบบเป็นแบบที่น่าศึกษาตระมาชอบชอบมองพระองค์ในช่วงที่เป็นพระเจากุมาร คือเวลาผู้กระเด็กในส่วนมากจะให้สังเกตจุดตรงนี้เพราะว่าตอนนั้นเป็นพระพุทธเจ้านั้นเป็นยอดมนุษย์ไปแล้วเราตามได้นะตามแน่แต่ว่าไกลมากแต่ว่าในส่วนที่เป็นราชกุ ม, มาร ก, ก็คือเป็นคนคนเด่นมีความแหลมคมมีความลุกซึ้งแล้วก็บารมีนี่มันแบ่งบานแสดงให้เห็นหมดทุกบารมีนะตาดบารมีศีลบารมี เนี่ยคมะบริปัญญาบารมีวิริยะบรยาบรมีนี่จะเห็นหมดเลยทีนี้ในการใช้ความเพี่ยนพยานเนี่ยบางครั้งมันต้องทะลุทะลวงพระเจ้าจึงอุปมาเหมือนกับการไถสมัยโบราณก็ไถนาแบบไถนาเนี่ยนะฮะตัวผานเนี่ยตัวผานเนี่ยจะเหมือนกับความเพี่ยนคือมันจะต้องทะลุทะลวง อาจจะเจอตอไม้อาจจะเจอก้อนหินอาจจะเจออิดเจออะไรก็ไม่รู้ขว า, าม้า ก, ก็ต้องรถทะลวงแล้วต้องต่อสู้ยึงปัจจุบัน อ, อุปมาเหมือนกับแทรกเตอร์ที่ดันไปข้างหน้าเนี่ยก็แสดงว่าแน่นอนทําหน้าที่ทะ ล, ดลุดทะลวงแต่ต้องใช้เหตุผลใช้สติปัญญาใช้ความคิดคุมตลอดเห็นมัรทุก ว, วิมังสาเนี่ยเขาจะคุมตลอดในการตรวจสอบในปัจจุบันมีคำคำหนึ่งที่ได้ยินในวงวิชาการก็ใช้บ่อย เรียกเฝ้าติดตามนะฮะถาชการนั้นก็แปลกเหมือนกันก็ฟิดอะไรขึ้นมาสักทีแล้วก็ใช้กันจนเบเ่อไปหมดเลยเฝ้าติดตามที่จริงมันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะฮะคือเรื่องรักษาศีลนะก็ขฝ้าติดตามเรื่องเจริญสติยังเฝาาติดตามใหญ่เลยนะเจริญสมาชิอะไรอะไรมันเฝ้าติดตามทั้ง น, นั้นนะฮะ อ, อาการขฝ้าติดตามทั้งนั้ น, น, นแตใพราะเราจะมีความลึกซึ้งมากกว่า และจะมองไปที่ความเปลี่ย น, ปยนแปลงและจิตใจในเป็นประการสําคัญความเพียรพยายามจึงส่งใช้ทุกเรื่องเอายกตัวอย่างความเพียรความเพียรในการครองชีวิตของของคนเรานะครเราเห็นว่าพระเจ้าสอนเป็นวงเป็นวงว ง, ว ง, ว, งวงจรคือหมายความมาสอนถึงสภาวะปัญหาสอนถึงเหตุแห่งปัญหาแล้วก็เป้าหมายของเราที่เราต้องการ หลักการมิติการในการแก้ปัญหาก็เรียงเอาไว้เพราะปัญหาในชีวิตของเราเนี่คืออะไรคือเนี้ยก็คือความไม่รู้คือความยากร้ายคือโรคภยคัยไข้เจ็บาการวางแผนครอบครัวเป็นปัญหามาตั้งแต่ไหนแต่ไรอนะครับทสภาพปัญหาเหล่าเนี้ยมันก็ต้องมีสาเหตุเช่นอะไรว่าหนึ่ง พัสดุสิ่งของที่หายไปแล้วก็ไม่หาะของที่จํารูดสุดซงก็ไม่ซ่อมแซมคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวก็เป็นคนเลวแล้วไม่รู้จักควบคุมรายรับรายจ่ายการจ่ายเนี่ยไม่รู้จักการบริหารจัด ก, การกษับทรัย์อย่างนี้เลยยากถึงไม่เป็นตระกูลเศรษฐีก็จนนะนะเพราะงก็วิธีแก้ก็คือว่าของหาย ก็ต้องหาให้ได้ของเก่าก็ต้องโบนสสัสซ่อมแซมครัวหน้าครอบครัวจะต้องอยู่ในศีลในธรรมแล้วต้องรู้จักประบาดในการจ่ายทรัพย์สมบัติก็กําหนดเป็นเป้าหมายเอาไว้ความสุขของผู้เรียนโดยรวมนะฮะจะทรงแสดงความสุขไว้สีข้อแค่นั้นเองคือสุขจากการมีทรัพย์ทั้งสังหาริมะและสังหาริมะไม่ได้จํากดกล่าวอรอบนะฮะไม่ได้จํากัดว่าเท่านั้นเท่านี้เพราะจริงๆเนี่ย ถ้าเป็นการได้มาโดยชอบธรรมในฐานะของของโยมก็เถอะของพระก็เหมือนกันนะฮะพระเขาไม่ได้ห้ามการรับมากหรอกแต่ปัญหาว่ารับแล้วนี่ว่าอย่างไงคือคนบางคนเนี่ยเขาศรัทธาพระรูปเดียวเนี่ยจะให้ทำยังไงอย่างอย่างอย่างนีองององ้อย่างสมัยพุทธกาลตัวอย่างว่าพระวกบาลีเนี่ยไม่ใช่พวกบาลีภสีวัลลีนะ พระศรีปรลีท่านออกบินทบาทเนี่ยคนตักบาทกับท่านเนี่ยเลี้ยงพระเป็นร้อยๆได้จะทํำยังไงก็เขาอยากถวายท่านอ่ะจะทํำยังไงก็รับไปเลยนะรับแล้วก็แจกจ่ายก็นําพระอื่นไปช่วยแบ่งเบารับในเรื่องเหลนี้พระหมกกจะปะเด็กแกเห็นเข้าไปพ่อแม่ก็เตรียมขนมนมเนยให้ลูกไปเคียนไปเที่ยวนะไปเห็นพระมหาสปากะปะแกแห่มาตักบาทหลวงปู่หมดเลย นึกดูวเด็กห้า้อยตักบาทพระรูปเดียวเนี่ยทาไงแล้วปฏิเสธได้ไหมอ่ะกันเด็กมันปฏิเสธไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้ก็ ร, รับแล้วรับแล้วจึงบริหารจัดการออกไปตรงนั้นการมองไม่ต้องมองตลอดนะฮะไม่ใช่มามองตัตอนว่าโยมเองก็เหมือนกานอะไรคำว่าสันโดษเนี่ยคือหมายความว่าในช่วงของการสแสวงหาการได้มาานั้นไม่มีปัญหาข้อกฎหมายไม่มีปัญหาเรื่องศีลธรรมไม่เบียดเบียน ติดนาทาเล่นใครได้มารวยยังไงก็ไม่ได้ว่าและในการครอบครองในการไปพกใช้สอยตรงเนี้ยมันอยู่ที่ว่าบริหารยังไงเพราะถ้าเก็บไว้คนเดียวสะสมแบบปู่สมเข้ารั์มันก็ไม่ค่อยฉลาดนะฮะทางานเหนื่อยแทบตายตัวเองไม่ได้ใช้เป็นแบบเขาเรียกอะไรทั้งหมดบาลีเนี่ยท่านเรียกว่าสะบกมีที่ปีเสื้อยักข้าวหวงแหน แม้วความว่สาน้ำใสไหลยเย็นเลยน่าอาบน่าดื่มน่าลงเด่นยักษิีนีตัวเองก็ไม่ได้อาบแต่ไม่คนอื่นลงอาบเพราะในทรัพย์สมบัติบางอย่างมันได้มาแล้วมันไม่เกิดประโยชน์่านจึงเรียกว่าเหมือนกับสะบกนีที่ผีเสื้อยักษ์ก็หวงแหนแล้วก็ความสุขที่เกิดขึ้นจากการรู้สึกว่า สามารถซื้อหาจับจ่ายตอบสนองความต้องการของตัวเองได้แต่ตรงเนี้ยมันก็ต้องคุมนะมันต้องคุมเพราะมีหลักอย่างหนึ่งที่ทรงใช้กันว่าสมาชีวิตาคือเลี้ยงชีวิตพอเหมาะควรแก่สถานภาพของเราไม่ใช่ว่าตอบสนองความต้องการจนรู้ราผู้ข้าวพุ่งเคยมากมายกายกองนะะซึ่งมันไม่ได้ไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาบางครั้งบางคราวอย่าง ดูเทศกาลแต่ละ เ, เทศกาลเนี่ยพระบินดาบาได้เสียดายได้อาหารได้บินาบาบมามันเหลือเฟือเหลือเฟือแล้วไม่รู้ไปไหนนะแม้แต่คนจอนหมอนหมิ่นทั้งหลายมากินมามาป่าจู่มันก็เหลือแต่ก็ปีหนึ่งก็มีตะข้าหกครั้งไงแนวตรงเนี้ยง น, น, นั้นก็คือพุ่งเผื่อจงเกินไปแต่มันเป็นวงจร น, นะฮะมันเป็นเรื่องเกี่ยวข้องผูกพันดวงใหญ่กับคนมันเยอะอเกิน แะที่ําคัญอย่างยิ่งก็คือความสุขที่เกิดขึ้นจากการไม่ต้องเป็นหนี้เป็นสินใครตรงนี้สังคมไทยเราเมื่อก่อนนิถือมากนะตรงนี้การเป็นหนี้เป็นสินเป็นทุกข์ในโลกพระพุทธํารมหักข้อ น, นี้รับการเผยแพร่กันอย่างกว้างขวางต่อมาก็มีคนพูดในทํานองที่ว่าถ้าเป็นหนี้มาเพื่อลงทุนประกอบธุรกิจต่างๆไม่เป็นไ ร, รอะไร เห็นไหมฮที่เป็นหนี้เพราะลงทุนกับต่างประเทศเป็นหนี้เป็นสินต่างประเทศเ <ๆ S 1> ยอะแยะก็เพราะมายืมเงินต่างประเทศอน่ยเป็นหนี้เพื่ออะไรก็ตามแหละมันก็มีความเสี่ยงอยู่ด้วยกันทั้งนั้นเพียงแต่ว่าถ้าลงทุนมีความชัดเจนประสมควรก็ว่ากันไปแต่ต้องก็แน่ใจนะแน่ใจว่าไม่ไม่ไปเกิดปัญหาไม่ซ้ําเติมสถานการณ์รุนแรงมากยิ่งขึ้นมาต้นหายกาไรโหดมันก็แย่มือนกันทีนี้ ความสุขซึ่งเกิดขึ้นจากการทำงานที่ปราศจากโทษอ น, นันคือความสุขจริงๆเห็นไหมความงานที่ปาดดราศจากโมต้องขยันนะขยันประหยัดอดทนไปเยอะเลยตอนเนี้ยต้องตั้งใจมีความมุ่งมั่นสูงเพื่อประสบความสาเร็จในภารกิจการงานตรงนั้นทีนี้พอได้มาก็ทรงสอนในรูปว่ารู้จักบริหารจัดการทรัพสมบัติ ตรงใช้ับว่าอุทาณาสัมปทาอารักษสัมปทาอารักษสัมปทานั้นก็คือรู้จักบริหารจัดการกระทรัพย์สมบัติเหล่านั้นหมายความว่าเมื่อได้มาแ ล, แล้วเนี่ยทรงสอนให้แบ่งทรัพย์ออกเป็นสี่ส่วนสองส่วนในช้ดำเนินธุรกิจต่อไปหนึ่งส่วนใช้จ่ายไปในครอบครัวอีกหนึ่งส่วนเก็บออม สะสมเก็บออมตัวเนี้ยค่อนข้างจะขัดแยงแต่ที่จริงทุกวันก็น่าอินดูนะฮะคนเฒ่าคนแก่ที่กเกษียณอายุราชการแล้วก็เก็บเงินฝากธนาคารเอาไว้ต้องการจะกินดอกพราะลดดอกเบีย้ยลงมายุ่งไปหมดคือว่าปัญหาคนอื่นท่างนะ่ะแล้วก็เอาคนที่เอาคนดีๆเนี่ยมาลงโทษต้นคมปฏิบัติการเนี่ยกันนะ คือท่านเหล่านี้เป็นคนดีซื่าาอสัตย์สุจริตธรรมะห่กินเลี้ยงชีพมาด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเก็บอบเก็บอดอดอดออมถนอมเอาไว้ก็นึกว่าจะได้พึ่งพายามยากอ้าวมันธนาคารก็ไปลดดอกเบี้ยลงไปอีกจนเขาเป็นมีคนก็พูดกันนะฮะว่าต่อไปเนี่ยคงจะต้องจ่ายดอกเบี้ยให้ธนาคารนะค่าฝากเงินค่าดูแลรักษาเงิน คือเขาจะทำอะไรได้ตามชอบใจนะท่าป็นเงินของคนอื่นนั้นนะ่ะเขาสั่งการได้หมดเลยพวกนี้เป็นพวกประเด็จการสุด ข, ขั้วนะจริงพวกธนาคารมาความว่าเขาสั่งเองหมดเราไม่มีสิทธิ์ถืออะไรเลยให้เท่าไหร่ก็เท่านั้นฝากฝากให้แก่เขาพอเงินหาย เ, าเขาก็ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรอย่างนี้เป็นปัญหากันอยู่เนี่ยเราจะเห็นว่านั้นก็คืออะไร คือการได้มาในทางที่ไม่ชอบทพราะส่วนหนึ่งการเก็บออมเนี่ยต้องระมัดระวังเหมือนกันก็ต้องมีวิบงังสาเหมือนกันว่าเก็บออมที่ไหนที่แน่ใจว่าปลอดภัยแล้วก็ไม่มีปัญหาเพราะการเก็บออมนั้นปัญหาภัยต่างๆในปัจจุบั น, นมันมีมากได้เกินแล้วเพราะว่าคนไทยขาดการออมกันพอมีปัญหาแล้วก็ยุ่งไปหมดเลยสับสนไปหมด แล้วก็มารีดรีดเอาจากรัฐเนี่ยก็ลกลายเป็นวงจรทีนี้ในช่วงในจํานวนยอดเงินที่ใช้จ่ายเนี่ยทรงใช้คำว่าสมัชชีวิตาคือการมีพวกใช้สอยตามเหมาะตามควรแก่สถานะของเราแล้วผู้ให้มันชีวิตมันดําเนินไปได้คนที่เข้าร่วมหลักความคิดร่วมกิจกรรมร่วมงานร่วมผลประโยชน์กันเนี่ยต้องมีความสุจริตใจต่อกัน เห็นไหมตัวนี้ก็คือเป็นมครคควิธีที่จะให้เกิดทรัพย์ขึ้นาเกิดให้เกิดมีทรัพย์ให้เกิดสามารถใช้ใจ่ายทรัพย์โดยไม่ต้องเป็นหนี้เป็นถิ้งใครแต่ว่าตัวงานที่ประกอบเนี่ยมันจะต้องไม่ผิดกฎหมายจะต้องไม่ผิดจริยธรรมแล้วก็ทําได้มาแก้ปัญหาแก้ปัญหาเรื่องสกุลมั่งคั่งจะตั้งอยู่ไม่ได้นานพระธรรมสี่ที่ว่าไว้มันต้องอิงอาศัยและเวลาพูดเนี่ย มันก็พูดตรงไหนก็ได้แต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยเราจะพูดเฉพาะที่อุทานะคือความเพียรชีวิตเราเป็นเรื่องของการใช้ความเพียรพยายามหลักการสาคัญที่สงวางไว้นะฮะก็แนวเนี้ยแนวมหาชานกเนะี่ยวายาเมเทวปุริสยาวะอัตสานิปดาบุคคลควรใช้ความเพียรพยายามไปจนกว่าจะสำเร็จประโยชน์ตามที่เราต้องการ ผลความมุ่งมั่นของพระพุทธเจ้านั้วความมุ่งมั่นสูงเพราะมุ่งไปสู่การทำลายภพชาติผลความเพียรแบบประวพธิสัตว์มันก็เป็นความเพียรอีกระดับหนึ่งซึ่งถ้าบารมีอื่นไม่เสริมเนี่ยมันไปได้ยากพระผลทุกเทเสียสละแล้วก็สูงส่งบางครั้งบางคราวเนี่ยถึงกับบาดบัดเจ็บล้มตายมันก็พวันนี้ก็สะท้อนกลับไปสู่อะไรละ่ะไปสู่ ธรรมสมุทานสองข้อหลังซึ่งเริ่มกล่าวไว้ตออต้นๆนะที่ว่ามันจะมีฉันทะตาสมบัติคือความพอใจในผลสูงสุดที่ส่งหวังไว้เนี่ยสูงมากและบนเส้นทางเหล่านี้รู้ว่าเป็นเส้นทางวิบากก็พร้อมที่จะก็เรียกอธิการสมบัติคือถึงพร้อมหรือสมบูรณ์ด้วยการกระทมที่ยิ่งยวดเพื่อจะ ฝ่าวันอุปสรรอันตรายเหล่านั้นให้ได้บางครั้งบางคราวมันต้องมีการผ่อนปลนนัเราจะเห็นว่าในเรื่องฐานบา ร, รมีก็เรื่องประเวศสันดรเนี่ยเราก็เน้นที่ฐานบา ร, รมีแต่อย่าลืมนะว่าความเพียรพยายามที่จะให้บา ร, รมีสมบูรณ์เนี่ยบางครั้งบางคราวก็ต้องยอมผ่อนปลนราษฎรประท้วงเรียกร้องให้ขับออกจากเมืองเราก็ขับก็ขับไปก็ไป แล้วก็แต่ว่ามันตราบใดที่ยังมีโอกาสสร้างฐานนับบาลีก็สร้างไปเรื่อย que. เห็นไหมให้มา้าไม่ใช่ให้ให้รถก่อนดิให้รถแล้วก็ให้มา้าโุ้ไม่ใช่ให้ม้าไปก่อนพอม้าไปก่อนก็ไม่มีใครลากรถเทวดาก็ต้องมาช่วยมาปลอมตัวเป็นมา้าจะลากรถให้เอาเสร็จแล้วพวกมาขอรถเอาทีเนี้ยยุ่งเลยก็ช่วยกันอุ้มลูก นั่นก็เป็นเรื่องของความเพียรพยายามในความมุ่งมั่นแล้วก็ทาคือหมายความมาตั๋วร้องการในชตดนั้นเน่คือฐานาบภรรมีมันถึงระดับที่ต้องเรียกว่าบริจาคบุญพัญญากันเลยบริจาคกันหมดเลยว่นแลาความเพียรพยายามก็ต้องสูงอธิษฐานเองก็ต้องสูงสัจจะเองก็ต้องสูงปัญญาเองก็ต้องสู ง, รร ง, ง, สงขันติเองก็ต้องสูงมันสูงไปหมดอ่ะ มันจึงจะบรรลุเป้าหมายตัวนี้ได้เพราะธรรมะเนี่ยถ้าเราสังเกตดูให้ดีเนี่ยมันเป็นวิถีชีวิตยังนึกถึงวิทยาศาสตร์กายภาพเคยดูนะฮะเคยดูเออมันทุกส่วนเนี่ยมันเคลื่อนไหวไปหมดอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งมันเคลื่อนไหวแล้วมันเคลื่อนไหวไปหดกล้ามเนื้อมันจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วประสานสัมพันธ์กันสมมติว่ามันเกิดปัญหาขึ้นมาสักจุดหนึ่ง นักกีฬาชั้นดีเลยเก่งมากแข็งแรงมากเกิดเป็นตะคิวขึ้นมาทีเดียวเสร็จเหมือนกันเห็นไหชอบ ต, ตรวไหนนิดเดียวตันเด้ ง, งมันมีปัญหาขึ้นมาทันที่แดงท่านธรรมะปฏิบัติเนียจะมีลักษณะอย่างนั้นมันไม่ใช่ข้อเดียวรวนๆหรอกจะเป็นปัญญาจะเป็นทานจะเป็นเนคขมะจะเป็นศีลธรรมะที่เป็นอุปกรณอยู่เยอะเลยไม่งั้นจะอยู่ไม่ได้หรอก ตอนความเพียรพยายามมันก็ต้องทําอย่างมีสติมีความเชื่อมัน่นมีความสงบแล้วก็มีปัญญามีอะไรต่างๆในติดตามมาเป็นแถวและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือกับพวกขันติเนี่ยเพราะว่าไอ้พวกบนเทนทางของความเพียรมันเหนื่อยมันมีอุปสรรคมันมีอันตรายมันมีหลุมบ่อขวกัก้ําถ้าเราไม่เอาการอดทนมันก็สู้ไม่ได้ เราท้ถอถอยแต่ในขณะเดียวกันมันต้องมีความฉลาดด้วยเพื่อจะแยกแยะด้วยอย่างที่ท่านเล่าถึงคนสองคนนะเป็นเพื่อนกันไปหาทรัพย์สมบัติไปหาเงินทองมาเลี้ยงดูครอบครัวเริ่มต้นพบนะมันพบเยอะครั้งแรกมันก็พบอะไรล่ะเชือบบานก่อน เชือกปานแล้วก็พบป่านพบป่านพบได้พบได้พบผ้าพบผ้าพบไหมพบไหมพบผ้าไหมผ้าไหมก็พบเงินพบเงินแล้วก็พบทองไปเรื่อยๆนะถึงทองไอ้คนหนึ่งมันไม่ยอมชิงอ่ะมันก็แบกเชือกป่านอย่างนั้นเองแต่คนหนึ่งก็เปลี่ยนด้ยหมายความความเพียนหาทรัพย์ฉลาดขยันฉลาดมุ่งมั่นสูงเหมือนกันนะนะแต่นี่โง่ มันไปติดอยู่ที่เฉพาะเชือกป่านมันบอกว่าแบกมานานนะไม่เอาแล้วนายซูัวติดอยู่เชือกป่านในที่บางแห่งเนี่ยในที่บางแห่งเขเล่าจนถึงว่าอุจจาระที่กขานั้นนะเพื่อจะไปให้หมูที่บ้านตัวเองกินก็แบกกันไปแล้วก็คนเพื่อนก็เปลี่ยนเรื่อยนะตอนพอกลับมาถึงบ้านเนี่ยคนหนึ่งก็ได้เชือกป่านมาคนหนึ่งก็ได้ทองคํามานึกดูก็แล้วกัน เพความเพียรตรงนี้ก็เพียรด้วยกันเพียรเดินทางไปแสดสานเช่นเดียวกันแล้วก็ถึงด้วยกันแต่ว่าคนหนึ่ ง, งโง่คนหนึ่งฉลาดคนหนึ่งใช้ความเพียรเท่ากันเนี่ยเอาทองคํามาจํานวนมากได้แล้วก็เปลี่ยนแปลงสถานะตัวเองจากจากจนในเป็นคนร่ำรวยได้อีกคนหนึ่งก็ถูกด่าก็ได้ปานมาไม่จะทําอะไรงั้นอันนีค้คือว่าปัญญาเขาต้องใช้แล้วก็ความเพียรปัญญาสติอย่างที่บอกเนี่ย มันจะต้องอิงอาศัยกันตลอดยิ่งเรื่องนั้นยิ่งประณีตเท่าไรยิ่งสลับซับซ้อนยิ่งลึกซึ้งเท่าไรปริมาณของความเพียรปริมาณของสติปริามราณสัมปชัญญะจะต้องประสานสอดคล้องกันเพื่อผลที่พึดประสงค์เพราะนั้นเราจะเห็นว่าความเพียรพยายามทุกเรื่องของพระโพธิสัตว์เช่นกั บ, บมังมหานตนกกับมังดังกันอยู่นี่ยม่ใช่นกเองถ้าก็เป็นอย่างนั้น เป็นความเพียรพยายามที่ก็มีปรรัญญามีการสังเกตมีการตรวจสอบมีความมุ่งมั่นสูงแล้วก็ค่อยๆทำค่อยๆทาใม้มีความมั่นใจซะก่อนแล้วจึงจะลงมือนะฮะจึงจะลงมือทำอะไรก็ตามถ้าว่าวแกวแวกพกแวกเกิดสับสนขึ้นมาเกิดสูญเสียความมั่นใจเรี่วอ่อนไหวไปกับสิ่งที่ยั่วยวนต่างๆมันก็ไปไม่รอดนะ มันบนเส้นทางสายเนี่ยปัญหาอุปสรรคจะเป็นเรื่องใหญ่มากเราทะลุทรลวงอุปสรรคเหล่านั้นได้หรือไม่แล้วแยกแยะได้หรือเปล่าว่าตรงนั้นเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคเป็นอันต ร, รายเป็นลูกตุ่มทวงนะะไม่ให้สามารถเจริญก้าวหน้าไปได้อย่างที่ในการที่หกท่านเคยส่งในผลโครนติดล้อหรือคนติดลมเนะี่ยล้อติดลมหรือว่าโครนติดล้อก็ตามจะเห็นว่าพวกนี้มันเป็นตัวทวง ปัญหาในบ้านในเมืองเราปัญหาในสังคมปัญหาในตัวเราปัญหาในก็ควรลองดูสังเกตว่ามันจะมีตัวทวงอะไรอยู่ที่ทําให้วัตถุประสงค์เป้าหมายที่ตั้งใจไวจ้จริงๆเนี่ยไปไม่ถึงดวงดาวสักทีเพราะเราตุ้ม่วงเยอะอย่างสังคมอินเดียเนี่ยเราจะเห็นว่าพวกสูตรอะพวกสูต ร, ก, ตรก็เรียกว่าอาริจันเนี่ย มันดูต้องเป็นร้อยล้านนั่นนะแล้วงานการเนี่ยเป็นชิ้นเป็นอันเพื่อเธอเลี้ยงตัวเองให้ไดนะ้ไม่ต้องไปคิดช่วยเหลือชาติหรอกเลี้ยงตัวเองให้ได้อย่าให้เป็นปัญหาที่สังคมชาติต้องแบกเนี่ยมันก็ไปไม่ได้ในั้นสุดอินเดียมันก็เป็นอินเดียเงี้ยรัฐบาลเองก็งบประมาณอะไรแต่ไรเหมือนกับผู้ใหญ่เลี้ยงเด็กคือว่า เรื่องใหญ่ได้เกิดดวงงา น, นมันใหญ่ได้เกินแต่ว่ากำลังเสริมกำลังสนับสนุนต่างๆก็ไม่เพียงพอเพราะงั้นจึงจะรักษาสถานภาพให้ไม่เสื่อมสรุกว่าเดิมก็เป็นบุญอยางแน่นอนนั่นก็คือใช้ความเพียรสูงขึ้นเพราะเรื่องมันต้องรับผิดชอบมากได้เกิดต้องฟังท่านหลายถรบพระโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงตรงนี้ที่สุดนี้ขอความเจริญ ง, งอกงามไปบูุญในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังท่านหลายโดยโทัวกันสวัสดี